นโมตะควตโตอระหโตสัมมาสัมพุทธะนโมตะควตโตอระหโตสัมมาสัมพุทธะนโมตจะควตโตอระหโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังตรรมังสังฆังมัตสานิจิตโตบลังสัจจังตรมโมโซตโตีเป็นวัน คำาษาลณะนนะตามภาษาบ้านเราเรียกว่าวันพระหนึ่งนี้อยู่สีว่วันวันพระหนึ่งอยู่สี่วันพระอันนี้เป็นวันที่พวกเราทั้งหลายให้สนใจเป็นวันที่ชาวพุทธสนใจเป็นพิเศษันพระเป็นสิ้นสนใจเพราะว่า ธรรมะมันเป็นเครื่องตัดความวุ่นวายให้ถึงความสงบโดย้ากพวกชาวพุทธสึ่งเป็นฆราวาสมีกิจการมากมีการทำไร่มีการทำนาส้นค้าหาเลี้ยงชีวิตของเรานานๆเป็นบรรษัทนทีหนึ่งเลยมาอบรมกันทีหนึ่งอันนี้เป็นเหตุให้สุกใจ พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธให้ระลึกถึงตนของตนให้นึกถึงชีวิตของตนชีวิตคือความเป็นอยู่เพรพวกเราทั้งหลายนั้นเรายึดอะไรจะได้นึกเห็นที่น่าบางคนไม่รู้จักชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้ของ <c oughs> เกิดมาทุกวันก็ทํ า, ทาความทุกข์ใจทุกวันทุกวัน ก็เพราะว่าไม่รู้จักเหตุที่ให้มันเกิดทุกข์นั่นเองเกิดขึ้นมาแต่เช้าก็เป็นเป็นทุกข์สายมันก็เป็นทุกข์ตลอดเย็นมันก็เป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าชีวิตไม่มีความหมายเป็นชีวิตที่ไม่มีความหมายมีแต่ทรมานมีแต่ทุกข์เท่านั้นอันนี้ก็เพราะขาดการรู้จัก ขาดการได้ยินได้ฟังจึงไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรว่าเราอยู่นี่เราอยู่ไปทำไมจะอยู่ไปกี่วันจะอยู่ไปกี่ปีกี่เรือนออกจากนี่จะไปที่ไหนจะไปกับใครไม่เลยลึกคิดเพราะมอเแต่ยุ่งล บ, บากยาก อางนั้นชีวิตของคนเราทางหลายจริงไม่มีความหมายเพรนั้นคนในโลกมันจึงแบ่งเป็นหลายชนิดในทางพุทธศาสนาทันเรียงว่าเป็นอุกติตนยูบุคคลวิปติตนยูบุคคลเนยบุคคลปะทะปาระมาบุคคลเป็นสี่จำพวกคนในโลกเป็นสี่จำพวกเท่านั้น ปกติตันยูสอนง่ายคือมันมีปัจจัยถึงแม่ว่าเกิดขึ้นมาก็มีใจอันสตราไม่ครุกครีไม่เป็นทุกข์ก็มีปัญญารู้จักมองดูชีวิตของเราเจ้าของเป็นเงาหรือเป็นนางลางมาแล้วตั้งแต่เล็กๆหรือผลที่สุดก็ให้เกิดในตระกูลที่ฉลาด อบรมอบอุ่นลูกหลานปกติตันโยนี่ไม่ต้องโคตรําที้จําชัยมากพอจะหูได้ยินพุกตอนนั้นเสียงสุนัขมันร้องก็ดีเสียงนกมันร้องก็ดีเสียงอะไรต่างๆมากระทบมันก็เกิดความรู้สึกจับเข้ามาพิจารณาว่าอันนี้มันเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นอย่างนี้ ก็จะไดมีปัญญาอืมไม่ต้องพูดมากพอมองดูหน้าตรงรู้นี่ยเราเลี้ยงลูกเกิดขึ้นมาบางคนมันมองดูหน้ามันรู้จักกับพ่อแม่ต้อตงการอะไรมันรู้จักพ่อแม่ อ, อยากจะให้เราทําอะไรท่านต้องการอะไรอย่างนี้ลูกมันรู้จักละหรือลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกัน พอต่ท่านมองดูท่านั้นไหนเทียบเพียงมืดเดียวเท่านั้ น, นรู้แล้วว่าท่านต้องการให้เราทำอะไรมันไวุกติตันอยู่สอนง่ายไม่ต้องบอกด้วยปากก็ได้พอลูกกระจามองเห็นอาการของคนคนนั้นก็รู้จักหูได้ยินก็รู้จักฉลาด มันฉลาดไม่ว่าแต่มนุษย์เลยแม้สัตว์อยู่ในบ้านเราเรียนเราก็มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันเร็วสอนง่ายสอนโดยการกระทาสอนโดยอกับกิริยามันก็เรียกว่าสอนมันง่ายมันเป็นเองผู้เรียกว่ามันมีอะไรอยู่ในใจของมันเป็นปัจจัยเดี๋ยวผู้คติตันอยู่เป็นคนสอนง่าย ทำไมมันง่ายอย่างไม้ในป่าเนี่ยเอามาทำเสามันทำง่ายก็เพราะต้นมันตรงอยู่แล้วไม่ต้องไปถากจะถางมันมากมายมันตรงอยู่แล้วไอท้ทีต้นไม้ก็มันตรงอยู่นั่นคือของเก่าของต้นไม้มนุษย์เราทาั้งหลายนายช่างไม่ต้องเครื่องแรงไม่ต้องเครื่องความคิดในไม้เช่นนั้นมาก็ว่าทำง่ายก็เพราะมันเป็นอยู่แล้วสวยน่ยง่ายดี มันุษยเราคือมือนกันฉันนั้นทีอุกทีตันโยนี่สอนง่ายกับพระมันเปลี่ยนอยู่แล้วเรียนหนังสือก็ง่ายทําอะไรมันก็ง่ายสอนง่ายอพาบรรณาก็ง่ายอะไรมันง่ายตรงนั้นแหละอมันมีมันสมองในทางโลกถละมันมีมันสมองดิมันสมองก็คือบุญปัมที่มันดีนั่นแหละมันก็ะโลมให้ดี คนทุกคนทําไมมันก็มีมันสมองเหมือนกันทําไมมันไม่ดีทําไมมันดีเพราะคนบางคนอยู่เนื้อต้นไม้ในป่าเราก็เหมือนกันปลูกวันเดียวกันแต่ที่ดินมันไม่ดีมันก็แปรกันต้นที่ปลูกีนเนื้อดินดีมันสวยมันงามออกดอกออกผลอืมเพราะว่ามันได้อาหารที่ดีมันดินดีปุ๋ยมันดีมันก็โตเร็วมันก็ง่าย ต้นธรหมะยากไม้ทั้งพวงก็เหมือนกันอาศัยอาหารอาศัยที่ดินอาศัยผู้ฉลาดเชี่ยวชาญรักษาฉลาดในการกระทำนั้นต้นไม้ก็นั่งจะโตแร้วไม่ช้าไม่ผลง่ายสบายต้นไม้ก็เป็นเช่นนั้นปกติตันอยู่ของต้นไม้ก็ไม่ต้องทำอะไรมันมากคือมันพร้อมการพร้อมเวลาของมันอืมนย บางสิ่งขึ้นมาไอ้ต้นไม้ในในบ้านนี่มันก่อนี่สมัยตัวอาตมาเป็นเด็กมาเเพ้วนี่ไปต้องไปปลูกบอกมันโดนนนมันเกิดเองเขานี่ยต้นหมากเนี่ยมันเกิดเองมันเท่านั้นน่ะอืม น, น, นี่ดินมันดีอะไรมันดีถึงแม้ว่าไม่มีใครรักษาเนี่ยมันก็พอเป็นหมากเป็นผลพอสมควรถ้ามีคนผู้ที่ฉลาด เอาปุ๋ยให้มันรักษามันต่างๆมันก็ยิ่งเร็วขึ้นกว่า น, นั้นยิ่งสบายขึ้นกว่า น, นั้นมนุษย์เราก็เหมือนกันฉันนั้นอืมด้วยฉะนั้นนิสัยปัจจัยที่มันม่องไวเป็นอุปาจิตันยูปัจจัยอยู่ในใจแล้วไม่ต้องบอกยากไม่ต้องลําบากเราจะมองเห็นลูกหลานเราเป็นวางคนในบ้านเราทุกคน บางคนมันสอนยากบางคนมันสอนง่ายบางคนมันเข้าใจง่ายแต่นั้นะมันตามเพราะอะไรเพราะมันมีปัจจัยของมันอยู่แล้วนั่นคืออุคติตันยูกิจจิตเป็นอุคติตันยูรับทราบแดีวก็รับรู้อืและก็กระทําปฏิบัติไปด้วยอย่างนั้นเรียกว่าจิตที่มันแจ้งขาวมันสว่างมันเป็นผุ้ลมันเป็นจิตที่ฉลาดอือันนี้ อืถ้ามีคนเราจะมีครูบาอาจารย์แนะนําคําสอนเพิ่มกับไปชนิดเนี่ยมันก็วิ่งเร็วเท่านั้นเนี่ยถึงไม่จะใครแนะนําคําสอนะมันก็มีความฉลาดในตัวของมันอยู่แล้วแต่มันช้าเป็นแต่หน่อยหนึ่งมันนานมันเสียเวลามันอ้อมอืมอย่างนี้ให้คนอื่นช่วยมันก็เร็วเรียกว่าอุปติตนิยูยุปติตนิยู ปกติตีนอยู่สอนง่ายยิบเตีนยนอยู่ยากไปสัหน่อยหนึ่งต้องบอกบอกทีอยากจะได้ยินเลบอกสองทีเลยยินเดี๋ยวก็รับไปก็ฟึดกต็ติบัติแต่ก็ช้าเหมือ น, นก็เราฟังธรรมนี่แหละบางคนมนี่ต้องยากหรอกฟังผิดเยอะตสังขารนี่มันไม่เที่ยงรู้เรื่องเลย อืมไปเลยไปเห็นความไม่เที่ยงเจสาโลมานักขาันตะอะริยะเจ้าของมันไม่เที่ยงตามองเห็นตามธรรมชาติมันเลยงั้นะผมมันหงอกพว้สักเส้นหนึ่งอย่างนี้ก็รู้จะโอ้นี่มันไม่เที่ยงนะั้นเนาะเจอก่อนนี่ผมมันงอกว่าที่มันหงอกมันก็เห็นสังขารเป็นธรรมดาง่ายนี่เลยอืานั่นเปรียบเทียบได้ อืมผมนี่ก็เหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ก็เหมือนกับเราเราก็เหมือนกับต้นไม้คนหนุ่มก็เหมือนกับคนแก่คนแก่นี่เคยเป็นหนุ่มมาแล้วคนหนุ่มนี่ก็เพื่อนข้างหน้ามันจะแก่ต่อไปอีกนันต้องขยายไปอย่างนั้นสร็จแล้วเห็นผมหงอกเช้อหนึ่งสสรดเนี่ยสังขารนี่มันไม่เที่ยงนะสังขารนี่มันไม่แน่นี่ที่างกยกทวิธีเต็มอยู่มีการเปรียบเทียบอืมเนี่ย ง่ายบุคคลสอนได้หมถึงจะเสียหาย ừ, ยากหน่อยก็สอนได้ ừ, เปรียบเทียบแนะนำความสอนเคลียบเเรียบสับดโดยกื่อมการใช่แบบเขาเห็นไก่ตัดวเ ด, ดียวเราสอนหมายถึงแบบตาีตามันเป็นไง เราเปรียบเทียบกาก็เหมือนกัวไก่แต่ว่ามันบินช่องตัวไก่โดยมากมันบินไปตามอากาศมันช่องก็เหมือนนั่นตัวไก่นี่เองย่ําไปย่ํามาพูดให้มันเข้าใจว่ากามันเป็นยังไงที่แรกมันดูจะไก่ลักษณะาไก่มันก็เหมือนกับกาแต่มันบินในช่องอุปมาอุปไมยไก่ก็กาให้กันที่นี่กามันยังไม่เห็นเลย ปุปมาแต่ไก่ท่านมันก็รู้เรื่องของกาเป็นอย่างไรรู้จักว่าเออกามันเป็นอย่างนั้นขั้นแรกมันในรู้จักสอนมันไปเปรียบเทียบว่าไก่กับกาจึ่นกว่ามันท้มกาทำไมเข้าใจในเรื่องกามันเป็นอย่างไรจะมันรู้เรื่องอันนั้นอย่างว่าอืเงีงยากบุคคลสอนยากแต่ว่าพอสอนได้อืมอันนี้ถือเปนการเึ่น การสอนมาผมบางคนผมออกขึ้นมาเส้นย่อยรู้จักแล้วเงินเร็วโอเคติจันยูในยยะโอเคติจันยูมังมนง่ายอืถ้าเป็นบิตติจันยูก็ต้องเพียบเคียงไอ้ผมเช่นนี้ทําไมมันอยู่หงอกไอ้เส้นนี้ทำไมมั น, ไ, น, นไ ม, ม่งอกมันต้องเปียบเทียบอย่างนั้นอยู่หลายวันหลายเวลาที่จะเข้าใจว่ามันเป็นอาวุธจังแต่เข้าใจได้นั่นกัน ประท่าปรมานี่ไม่รู้จักเลยเนี่ยมันจะผมมันจะหงอกหมดทงศรีรษนเลยก็เชื่อนี่น้ำซ้ำจะถึงเชื่อซึ่งไหาซื่อนํายามาย้อมเข้าไปอีมันหลงทึกก็ไปอีกล่ะเนี่ยมันเป็นประทาปรมาบุคคลยิ่งปิดยิ่งบอดยิ่งบอดก็ยิ่งมืดยิ่งมืดก็ยิ่งไม่รู้จักเนี่ยนี่เรียกว่าประท่าปรมาบุคคลบอกแล้วก็เหมือนกัะไม่บอกอม ที่นี่ถํามันเป็นเช่นนั้นนั่นก็พ้นจากคําสอนทางพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการสอนน่ะไงยะบุคคลปกติกันอยู่ยุบปกตีกันอยู่ไงยะบุคคลสามอย่างอืแต่ถ้าปรมาบุคคลนั้น่นสอนก็เหมือนกับไม่สอนรู้ก็เหมือนกับไม่รู้นี่อันนั้นมันสอนยากมันสอนไม่ได้ตรงนั้นสอนไม่ได้แล้ยเป็นคนที่เสียคนแล้วทิ้ง ใครมันเป็นคนอย่างนั้นคนที่เรียนมันก็เป็ี่ยนได้คนที่ไม่เรียนมันก็เปลียนได้มันเป็นเพราะกรรมเป็นกําเนิดของมันอืบางคนก็เรียนเรียนไปซะจนโง่พูดก็ไม่รู้เรื่องกันบางคนไม่เรียนก็ไม่เรียนซะจนโง่พูดก็ไม่รู้เรื่องกันนี่มันไงเงี่ยอถ้ามันสูงมันก็เกินขึ้นไปถ้ามันต่ำมันก็ลดลงมาไอทางสายกลางมันไม่เห็นทวีณเลย ปีตัญหาเนี่ยมันส่งผลขึ้นไปใช่ไหมเหมือนนักใสมะม่วงเน่ะเอาไมมาใสมะม่วงเนี่ยถ้าไม่ใสมะม่วงมันยาวไปโนอนเสรนมะม่วงไปสามเมตรสี่เมตรเนี่ยมันจะใสมะม่วงได้ไหมไม่ทอดมืออีกมันสั้นยังอีกสามเมตรสี่เมตรที่จะถึงมะม่วงมันจะใสมะม่วงได้ไหมนี่นี่มันต่าเกินไปสูงเกินไปมันก็ใช่ไม่ได้ มันหมดความหมายแล้วถึงแม้เราจะเอาเสาสตน้ตนี้สี่เมตรต้นนี้สิบสามเมตรก็ใช่ไม่ได้เก้าเม็ดก็ใช่ไม่ได้เพราะมันไม่พอดีมันติไปหน่สามเมตรมาหรือห้าเมตรมาที่เราต้องการนี่มันเป็นว่าที่ใช้ได้ทุกวันนี้ทํำเรียนมากๆจะเข้าใจว่าเราฉลาดเด้อดูดิมันฉลาดเกินไปหน่อยไม่ใช่ไม่ได้แต่และทำเรียนฉลาดนะที่ที่มานาันน่าจะเกิดขึ้นมาเห็นมนุษย์ทางไหนนี่เป็นสัตว์ทางนั้นเหมือนเราสักคนเรามีอํานาจกว่าดีกว่า ข้าว่วดูถูกคนโจรไปในตัวของมันแล้วเห็นนารฤกตตัวเขาประเสริฐตัวเขาแล้วมันจะไม่เหยียดลอนหรือมันจะเหยียดลอนอย่างนั้นแหละถ้าเห็นมาอือตาสีตาสาตุคนกันกับเราเห็นคนแก่ต่อไปแล้วก็จะแก่อย่างนั้นเห็นเด็กมันวุ่นบายแต่ก่อนเราก็เป็นเด็กอย่างนั้นเหมือนกัน้าเรเรียนตมาก็คนนั่นก็เหมือนเหมือนก็เหมือนกันอย่างนี้มันก็เข้าใจง่ายนี่ถ้าเราโง่ไม่รู้จักเราไปเคยเรียนไป เ น, นื่องคนฉลาดเนี่ยก็ไม่ต้องฟ้องใครเนี่ยนี่ท่านครูอาจารย์สอนอันนี้จังทุกค้งนะังเนี่ยเรารู้เรารู้แต่เราไม่ทำเท่านั้นอนะ่ะเรารู้รู้จนตายจนโงู่้นั้นแหละเห็นไหมอันนี้เด็ก ว, ว่ามันเกินพอดีถ้าเป็นคนถ้เป็นหน้า ม, มันเหลือขันเนี่ยถ้าหน้าเหลือขันม้องกบ่าไปเท่านั้นเนี่ยสกปรกหมดเสื่อนหมดทั้งนี้นถ้าหน้าไม่เต็มขันมันท่องเนมันก็ไม่ดีเนี่ยมันไม่ง่า ม, มากันเนี้เนี่ย อืถ้ามันพอดีพอดีกับน้ําขันกับน้ํามันพอดีกันมันก็สวยนี่นั่งก็พอดีกับขันขันก็พอดีกับน้ํานั่งก็ดูสวยนั่ก็ได้ประโยชน์นี่อือ่ะมันเป็นเช่นนั้นถ้าจะนั่ขันเท่านี้ยอยากได้น้ำสักโอ่งหนึ่งมันก็ไม่ได้เทน้ำไปแต่มันมีอะไรหังไว้มันก็ไหลอนั้นเนี่ยอันนี้ก็เือนการขันน้านึกบอรียนรู้แล้วมันมันจะดีเท่านั้นยมันขาดความฉลาดมันก็ไม่ดีเท่านั้นเนี่ยมันใช่ไม่ได้เท่านั้นเนี่ยต้องเข้าใจใส่อย่างนี้ ธรรมะมันไม่สูงเกินไปคือมันไม่ต่ำเกินเกินไป mm hmm. ถ้าคนสูงกว่าคนมันก็คนเหลือคนกันเลยถ้าคนต่ำกว่าคนจริงๆเมื่อคนคนไม่พอคนถ้าคิดไม่พอคนก็จิตอาภัพเดินไปตามทางถนนก็อายมนุษย์เขาตัวเขาเจ้าบ้าเราอย่างนั้นตัวเขาเจ้วบ้าเราเป็นอย่างนี้เลยอายคิดอาภัพเดียวกว่ายิงตัวตายก็ได้จะไปกินยาฆ่ามะเรง็งตายก็ได้ถ้าสูงกว่าค น, นก็ดูถูกคนที่ทุกแห่ง เหมืนเขาเป็นสัตว์เราเป็นมหาอำนาจ ท, ทางนั้นอันนี้ก็ไม่นานเหมัอนกันถูกยาถูกยาสภาพระแวงเหมือนกันถูกลูกกระสุนเขเหมือนกันนี่ก็เท่ามันหน่ยพอดีนะคุณก็ฉันนี่แต่เป็นคนพอดีกันที่ความเกิดจริงบางต้นเหมือนกันมีความแก่ในตรกลางผลโดยสุดก็มีสมบับไปเท่านั้นจะดีเกิดกันอะไรไปไม่นี่ไอค้ความดีความทีคม่ความดีมันอยู่อย่างนี้ ถ้ามนมุษย์เรา้งหลายที่เป็นกระทะประมานารย์สอนใม่รูเรื่องสอนให้ดูเรื่องบางคนมีกองรู้มาเป็นดัคคุเทศน์นี่ยเขามาบวชเขาอุปชาบวชมันเดียวเทศใอุปชาฟังสเสร็จนี่ยมันเป็นไปอย่างนั้นอันนี้ดี๋ยวว่ามันไม่ฉลาดอืมมันรือจับดีดีดี ด, ดีดีจนเกินดีเลยมันก็มีดีเท่านั้นเลยนั้นไมพอดีกันคนเราทัางหลายาขาดกันอย่างนี้ ยังสมัยบ้านเราเตั้งแต่ตอนเป็นตาอีต่อาสารนั่นมานาะพูดถึงบ้านปอเนี่ยพูดถึงวันเนี่แต่สมัยเป็นเด็กเวลาเขาสืบสํารวจนักเรียนเข้าโรงเรียนในสมัยก่อนพ่อแม่ทั้ในเด็กแหมดีใจได้เกินนะให้เราลูกเราเป็นคนจบโดนดีมากไม่ต้องรเรียนหนังสือจะ ม, จะ ม, จะมีจะมีคนเลี้ยงควายให้เราจะมีคนเอาน้องให้เราจะมีคนเลี้สวนให้เรานี่ถ้าไปถูก ถ้าไปถูกเข้าไปแล้วถ้าทัวไปขึ้นโรงเรียนเนี่ยเสียแะและ้วไม่มีใครเลี้ยงผัวายไม่มีใครเอาน้องให้ไม่มีใครักษาการมาก Sinn. ถ้าลูกลูกสาวลูกชายตกโดนโอ้ดีใจหรื่องเกินมีใจดีเกินสมัยนี้มันเงอกไหมล่อคนอ่านหนังสือไม่ได้เหมือนคนตาบอดเคนนั้นเนี่ยจะไปที่ไหนต่ออยากจะไปอุบลนี่มันก็อยากจะไปที่เจริญมันก็อยาก จะไปหอมน้ําหองชาขาอางญาติคนนั้นแหละไม่รู้จักคือจะไปอยู่บ้านเรามันได้เสียงยิ่งขวางเคายัางชัว่วอี่เข้าไปในตลาดหน้าทีเซมีหลายน้อยอย่างนี้มันมีทานารเหตุการณ์อืฉะนั้นธรรมะนี่เหมือนกันเราอยู่กันไปเช่ น, นี้มันเป็นการธรรมะใจมันก็ไม่สูงขึ้นพอว่าเราเป็นอะไรอยู่อย่งไรไหมบางคนเราก็เกิดมางั้นก็กใ่ตัวหนึ่งคนนั้นเนี่ยเกิดมาแล้วก็มีรูป มีรูดเด็ก็คุยเขี่ยไินไปตามเรื่องตามรามันตอนเย็นมาแต่นอนตอนเช้ามาแบบยุ่งรื่องโจรตรงนี้แผ่นดินกบบซุกซิ้วเยซุกซุกซุกุกกินไปตอนเย็นก็ข้าวไปไปนอนเท่านี้จะมีประโยชน์อะไรไหมอืมมันนี้นโยบายล้วกเหมืนกันตั้งใจเหมืนกันกระสับไม่มีปัญญาอี่เขามาจับทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันจับแล้วเขายกขึ้นดูเขายกขึ้นดู เอาอาหารนี่ก so But ินดีดวยจนนึก <học> ว่าจะของทะเลลักเราอยากจะของหน่ออ้มันนักหนักมันในทะเลนี่มันแค่สองสามกิโลเลยหรือยังเจ้าใจจะไม่รู้เรื่องอย่างนั้นถ้าเอาข้าวจริงๆนึกวดีใจจะของมันลักเรากินกไปให้มันอ้วนหรือมันสบายพอถึงสองสามกิโลก็เอาละไปตลาดแล้วแน่คนในาอยู่ทุกวันนี่หมือนกานอันตรายเข็นนั้นเมื่อเห็นมันหลงด้่ยไม่รู้จักเหมือนมันเจ้ตใจ ไปเข้าะปตลาดเด้นคุณรถก็ยังหันโอ้โอ๊ไปดิมันสดุกสนานเหมือนนั่งรถเหมือนไปถึงบ้านเจ๊ฟแล้วนะขาของเชฟแล้วเขาตกลงกันแล้วไปนึกว่ามันยังที่อยู่นะเพราะดมันจะไปถอนผลที่ถ อ, อนี่คเขาไปนึกว่าเชฟมันทันความสะอาดให้เราดีกแหละมันนู่ถึงขนาดทันเนี่น <c oughs> นถยถ้าเยียดเขาเข้าไปแล้วนี่นจะเออมันตายนี่นะชีวิตนี่ไม่เห็นชีวิตเจอของไม่ไดจัแก้ไข เราทุกคนรวมกันเัน่นนั้นไม่รู้จะพอกันไม่รู้จะพอกันริ่นเรื่ทุกสิ่งทุกอย่างริ่นรื่ในการทำรรมาฮักกินในทางที่ชอบมางกันอย่งดีนะริ่มเรื่ไปหิบช้าเพื่อนค้าไปชัยบาสเพื่อนค้ามันก็ไม่คดีนะถ้าทําไม่ดีมาแล้วบางทีติดเรืาา่องติดราวมาเดี๋ยวมหาหลวงพ่อกันเลยช่วยช่วยเมตตาคุณไปทําอะไรอืคุณไปทําอะไ ร, ค, ไะไรคุณจะทำอะไรอืม ผมไปขายแล่าเถือนเน้อมันดีแล้วนั่นน่ะเพื่อทำผิดเพ้่ห้ามไม่ให้ผิดไม่ให้ผิดเพื่อทผิดเขาก็จับเลยมันถูกแล้วน่ะใจต้องพอแก้อะไรเมตตาอะไรอย่างนไม่มีว่าจะเมตตาอสร้ามันทํำถูกจะเข้าเข้าใจผิดมันก็ช่วยกันได้นี่นะไปทําผิดจริงๆอย่างนั่นก็จริงอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่มีดีไม่มีช่วยอย่างนี้มันเูืนธรรมชาติมันตามธรรมดาคนขาดการสร้งธรรมนั้นก็อย่างนั้นแต่มันโง่รึไปน่ะอื่ ไปอิจฉาคนอื่นนี้ก็หาว่าเขามาอิจฉาเราอยู่ไม่มันก็ไม่เคยจะดีนี่ที่นั้นเนี่ยกระทะ -paramabhukon ถ้าพระองค์ท่านสอนเอาคนจมพวกนั้นเอาจมพวกสีลรับฟังเหตุผลว่าทันชาติขั้นเทศน์ น, นั้นปลูกไหยอะไรไหมกระทะ p a r a m a b ค u k o n ไม่ใช่ว่าคนไม่มีความรู้ คนมีความรู้อยู่จะไม่ไม่ทําตามใครกระสีกระามันไม่เรียนหนังสือแบบมันโง่แต่ว่ามันฟังถ้ารูอาจารย์สอนทำมันนั่นนะปฏิบัติอย่างนั้นเขาก็ทำอย่างนั้นอืเขาจะทำอย่างนั้นนี่คือคนไม่รู้จักสอนได้คนรู้แล้วไม่ทําตามเป็นประท่าประมะบุคคลแล้วเป็นคนใช่ไม่ได้อย่างนี้มันไม่ใพอจะดีแล้ว อันนี้คืนมันการนั้นเมื่อเราขาดจากสังคมฟังธรรมะจนกวาน่าไม่รู้จักธรรมะบางคนก็เข้าใจว่าธรรมะเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเราจะไปเป็นธรรมะไปฟังธรรมะเหมือนจะหาชินอย่างไรหาชินไม่ได้หรอกแสดงว่าคนนั่นโกหกแล้วไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยถ้ามีธรรมะหาชินไม่ได้นี่ พระเปนหอกแนวเป็นมิตรสาสิสอีกแล้วอันนั้นก็นนี้เราคิดถูกอืมสมัยนี้ถ้าคนนั่นคนมีหัวอาจารย์เน่าคนมีหัวเน่าไอเด็กหัวดีแล้วใบพิษอย่างนั้นอันนี้เราควรคิดดีๆถ้ า, ถาพระเทศธรรมะให้ฟังเรื่องที่ถูกต้องแล้วไม่เข้าใจไม่เข้าใจจะทําเป็นธรรมะไม่ได้เราเราเป็นคนอยู่ในโลกมันจะไปปฏิบัติธรรมยังนั้นไม่ได้ คนนีว้วาพระมันเกิดมาจากไหนกันมันจะอาคนด้วยไปบวชเราไม่คิดดูหรือว่าพระเกิดมาเป็นพระผมพระเหลืองหนีไหมอืมดูดิจะไปทําอย่างพระจะไปทําตามธรร ม, มะไม่ได้เราเนียอยู่ในโลกอืมอย่างนี้อันนี้ให้ก็พูดให้ก็พูดให้ก็พูดโลยเป็นธรร ม, มะหากิตในได้จริงๆเลยทำไมก็คนมันไม่เข้าใจนะต้องไปที่ีอ๋อ ต้องไโกโหกเอาต้องจะไปแย่งะไรซึ่งเจดีย์กินที่คนมาปฏิบัติธรรมะก็ไม่ได้กินจริงๆะทำโทษดจะดีย์ทั้งในทำนิไหนคนทั้งนั้นก็ฟังเอาถูกความตะโกว่ามาแล้ววะถ้าปฏิบัติธรรมไม่ได้กินอะไรก็เลยว่าการฟังธรรมะนี่เป็นโทษไม่เกิดประโยชน์แล้วใครไปฟังธรรมะก็เป็นคนบาบาๆบา่อๆเท่านั้นแหละทํำไมอยิบช้าก็ไม่ได้โกงก็ไม่เป็น จะเป็นคนเสี้ยวคนแทนแหละไอ้คนนั้นก็ว่าไอ้คนนี้ก็ว่าก็เลยนึกขึ้นมานั่งเนี่ยเราคนคนเหมือนกนันส่วนเหมือนเหมือนกันนี่มันเหมือนกันดีกว่าก็พอได้กินไปเนี่ยบ้านเมืองกระเดียดด้อนสถ า, านการณ์บ้านเมืองกบะเดียดร้อนใจอย่างนี้เนาะเพราะว่าคนเป็นทำหากินไม่ได้แล้วมันต้อเป็นคนชื่อสัตว์ฝุระเด็ดเนี่ยหากินได้ไอ้คนทางบ้านทางเมืองนี่จะคนโงกงทางนอือถ้าไม่โงกงจะแค่หากินไม่ได้ เพระนั้นมันก็มีแต่กระดูกกระเนื้อมันไม่มีเ้ราะนั้นนหะมีมีแต่คนอาธรรมเกิดมาในโลกเนี่ยมีแต่คนมาสร้างความวุ่นวายทุกคนทุกคนทุกคนโลกนี้มันจะยากกินได้ยังไงถ้ามีธรรมาะหากินยากหรืหาไม่ได้กินเลยใครจะอยากไปหากินไอะไรกินแล้วก็หนี้จากธรรมะ ก, กันไปมันก็โอนทํามาในโลกนสั่งที้เ อ, อ้าสั่งคนเอ้าสั่งโกหกโกรมมาถึงจะได้กินกันคนมันก็โอนมาทานี้หมดแค่นั้นแหละอื เรียบร้อนันนั้นเองนึงเนี่ยมันจะเย็นเมื่อไรมันก็จะเย็นแค่นั้นเนี่มันเรื่องของนี้อีฉะนั้นมันอ่ะพระประมาบุคคลไม่ใช่คนไม่ใช่คนอยู่คนที่ฉลาดอืมฉลาดไปในทางที่ชั่วฉลาดไปในทางที่ผิดอืมก็เหมือนเหมือนยาพิษมันดียาพิษดีนะดีดีขนาดไ น, นดีอยู่ตัวขนาดยาพิษทุกขนาดยาพิษผมดี ยาพิษ okay, คนด huh. ีคินผมดูทีอ้าไมกินลอ้ดีทไมล่ะดีงั้น่ะดีต้องกินดูที่ยพิเนี่ยลากินมันตายน้นมันดีนัน่ะดีนี่ดีในทางสจิตใช่ืนฉันนี่ก็ดีในิงยดีแม่ดีิงทผูงตายหมดนั้นะดีดีิงตัวของตัวของคนนิดให้ดูดูทอ้าวยิงไม่ได้แล้วทาไมไม่ดีทะลทไม ทำไมพูดกับปืนดีเด่ะทำไมพูดว่ายาพิษดีเด่ะอี่มันหลงอย่างนี้แหละมนุษย์เราทั้งหลายเนี่ยเรามันคิดเหตุดีมันบาปทุกวันนี่คนที่โกหกพี่รวมที่ทากันอยู่นี่น่ะมันบาปมันจึงเดือดร้อนอย่างนี้ถ้าคนมันบุญกันทุกๆคนมันเมตตาให้อภัยกันทุกทุกคนมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเท่านั้นเนี่ยต่างคนต่างเข้าฝ่ายบาปกันทุกวันนี้เพราะเราธรรมะนี่แยกแต่แล้วหาจินมไปไหนกินมเนี่ยนะอื ถ้าข้ายกินไม่ได้กินต้องโกงกินต้องขโมยกินต้องแย่งกินต้งโจรกินฉันแล้วก็เลยไปเลยยกไปใส่เนาะ แ, แล้วก็ะปกุกเน้นใส่กระปุกเนาะหาเป็นคนที่สัสตว์ลำลำบากแต่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นคนที่ไม่เชื่อกันกันมองเห็นตากันเป๊ะๆไม่ว่าใหญ่กันทค่ไหนถึงวันนี้นะนี่ที่ทำไมถึงเป็นอย่งงางนั้นเพราะไปทํำโลาไปไม่ได้มันไม่ไหวต้องไปในทางโลกครับ้านเรานี่ยังดีนาะนี่ จะมาไปเดินไปหลายจังหวัดบ้านเมืองอุบลนบนยังดีแล้วนะนี่นะจังหวัดอื่นอื่นจงหัดไหนก็ชั่งมาเถอะไปมองดูตาไม่ได้แลยนี่ไปมองหน้าพุทธสมองทําไมอืมต่างการรังนไลยนี่นยินตายเลยนี่ทําไหมมนุษย์เรามองหน้าจะไมได้คิดยังไงกันนีน่ี่แสดงว่ามันเต็มทีซะแล้วมนุษย์เนีย่ยจะเราจะอาศัยใครกันแล้วจะไปอาศัยใครกันเนี่ยทําอาศัยมนุษย์ี่ ขนาดที่มองหน้ากันเพี้ยนเนี่ยใช่ไหมของการอะไรไม่เรายยิงโป่งตายไปแล้วเท่านี้คือชีวิตแบบนี้กนี่แหละมันออกจากธรรมะไปมันเข้าใจผิดมันเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดว่มมาเขาไปในธรรมะมันมันเลือดร้อนฮากิา้นยากหาชิ้นยากหาชินไม่ได้ทุกวันนี่โดยทูอ่อยากหาชิ้นไม่ได้ซะเลยอย่างนั้นเราจะต้องเลิกจากธรรมะกันทุกคนจงมาขโมยกินจงมาโป่งกิน ต้มาอะไรกินกันหมดทุกอย่างเนี่ยมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะเป็นทรรมกจะหากินไม่ได้จริงๆริงไม่ใช่เมันจริงอย่างนั้นในธรรมะ ม, มันมีจริงแล้วปฏิบัติธรรมะเรียบร้อยไม่มีใครช่วยนี่นี่มันน้อมเห็นไปอย่างนั้นแตมันเป็นปีเทระน้อยเทะน้อยเนี่ยจนหมดจนหมดเรียบพวกมันนะสมัยนี้ก็เรียกร้อมัน เจ้านายเคยมาฟังธรรมมันจะม า, น, น, มา น, น้องพ่อท่านจะออกมาแล้วเราออกแหวะทางให้ท่านออกไปไม่ท่านจะออกไปแล้วน้องพ่อท่านจะออกแล้วฟูดังแรงต่อไปโอ้โหมันดูถูกพระเราฟังแนละ้วเรารเหนื่อยพี่ช่ำช่งมีงมน้ำใจมีมนุษย์น้พ่อเทศน้องพ่อเทพชนิดหนึ่งมีตรงขามมาแต่อเอานิดเดียวคือมันไม่สนุกมันลาพานใจเขาอย่างเทศอธิบายฟังอย่างนี้นัานๆมันําพานนี่นาะมิฉะเขาบอกว่าเทพชนิดหนึ่ง เป็นพิธีแถานั้นเนี่ยอาจารย์มากินข้าวนิดหนึ่งมันพอไห้เนี่ยกินข้าวสักคำเดียวนีดเดยเม็ดเดียวนี้เดียวนี่ยพอไหมเขาก็ไม่พูดนลยนันเป็นแค่อย่างนี้ฉะนั้นบ้านเมืองธรรมะทำไมไอ้ความจะให้สรงบุญระงับมันมันหายไปตัวันทำไมกลางคืนทําไมมันมืดเพราะตะวันมันลับไปแล้วมันก็มืดเกิดขึ้นมาแต่นั้นนี่ อไอสิ่งที่สะอาดมันหมดไปแล้วขั้วจตกระปวกมันก็ขึ้นมาเท่านั้นแหละเมื่อมันขึ้นมาว้านห่วงก็เดือดร้อนกันถ้ามันเดือดร้อนตรงไหนนาะเดือดร้อนตรงไหนเนาะสารพัดอย่างถ้ามันเข้าใจว่าฟังธรรมะมันจะดีอยู่แต่แบบไปทําตามธรรมะแล้วมันหนเจริญอย่างหนุมน่มๆเข้ามาวัดดิออกออกจากข่้วเข้ามาวัดจะเข้าเขัอนไม่ติดแทะแล้แต่ออกจากวัดไป กันก็เห็นไงเขาเย่้อเลยนะดูสเดี๋ยวนี้ธรรมะสมโธชนะาโอยอายอยู่แล้วไม่มาหาต้นพ่ออีกเลอายเพรานั้นแต่มัยากครับมันอายอย่างนั้นไอ้คนไปกิงคําที่มันมันอายแล้วก็เข้าใจผิดกันนี้นะสิ่งอะไรที่มันเป็นบาปท่านไอ้สิ่งที่ไม่เป็นบาปจะไปอายทําไมไปอายสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นี่เราทําถูกอยู่ไ อ, อ้เพราะอันเดียวนี้ธรรมะสมโธนะไปเจาวาัติดนนั่นะมาได้จะบวดกันแล้วโอยอายจนแล้ว ไม่อยากจะมาวัดเข็ดไปหลายเดือนนะี่ถ้าไปถูกถูกเพื่อนมันจะรุมมาใช่ ย, ยังนี้อย่างนี้มันกําลังจะเกิดขึ้นกําลังจะเป็นไปทุกวันนี้ที่ในความสงบเราจะหากันตรงไหนการทํานาการค้าขายการเลี่ยงชีพทุกวันนี้ต้องการอะไรไหมต้องการชีวิตอย่างไรต้องการชีวิตให้มันเดือดร้อนหรือหรือต้องการชีวิตให้มันเป็นทุกข์หรื อ, อยังไงกันนี่ให้เราคิดคิดดูดีป่ะ ถ้าเราเกิดมาเอาความเดือดร้อนกันทําไมไปสร้างเหตุให้มันดอดร้อนขึ้นมานี่อันนี้มันพูดดิทุกทุกคนเข้าใจทุกทุกคนพิจรารณาทุกๆกคนเห็นใจให้มันดูเรื่องเข้ากันแก้ไขสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อืถ้าหากว่าเรามันทุกข์มันเดือดร้อนมันลำบากเกิดมาชีวิตหนึ่งเจ้าก็เกิดประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมีทรัพย์สมบัติมากๆเราเันเป็นทุกข์เรามันเดือดร้อนมีมาไม่ทําไมทรัพย์สมบัติลาบยศเอามาทําไม เอามาเบียดเบียนตัวเราไหมเราไม่มองเห็นชีวิตของเราอย่างนี้อยู่ไปด้วยทนทุกข์ลำบากทรมานบางคนพ่อบ้านแม่บ้านทะเลาะ ก, กันทุกวันทุวันไม่รู้ว่าอะไรทุกข์ออ ก, กันทะเลาะกันทําไมเขาไปกินเหล้ามีเมียก็ห้ามไม่ให้กินเหล้าเพราะวก็ไปกินเหล้าไม่กินเชื่องก็ยุ่งเป็นผู้หญิงนุย้ยนันทิ้งเชื่อนทิ้งสูงเลยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไปกับเขาอีกมาบ้าน เมียก็ว่าให้ออกไปหาเพื่อนเพื่อนก็ว่าให้โดยลหมากเลยทุกเลยยากสารพัดอย่างนี่เพราะทําไมนี่นี่คือธรรมะในเวลาเนี่ยมันโซมลงธรรมะมันไม่โซมลงความเข้าใจของคนมันโซมลงไปจากธรรมะธรรมะมันยังยืนอยู่อย่างเตาถ้าปฏิบัติธรรมะถึงวันนี้มันก็ยังดีอยู่อย่างเตานั่นแหละใจเราไม่กล้าจะทำเลยนี่เห็นธรรมะมันเป็นอสัศรพิษแล้ว ถ้าปฏิบัติธรรมะแล้วกับไปเข้าเพื่อนเขาไม่เคยติดถูกกันแกล้งอะไรไม่สบายหลายๆอย่างจําเป็นเราต้องโอนเข้าไปหากันหมดมาเป็นกลุ่มเดียวกันหมดมาเป็นกลุ่มเดียวกันหมดที่นี่ก็ไม่ไม่ไ ม, มันแสดงปฏิกริยาที่จะไม่ดีเกิดขึ้นมาแหละในเรื่องพุทธศาสนาถึงวันนี้ที่นี่การบวดในพระพุทธศาสนาของเราการปฏิบัติมันโฉมไปกับเรื่องนั้นแค่เรื่องอย่างนี้ มันเป็นอย่างนี้กับแบบทำผิดทำชั่วลูกพ่อแม่ทุกคนอยากจะให้ลูกดีทุกคนอย่างเห็นที่ไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ อ, อยากให้ลูกเป็นคนดีเอาไปวางเอาไปถวายเขีนบัตรหลวงประพง์นั่นเน่ะมีพระกรรมฐานนานาชาติมิชาติในนายก็มาปฏิบัติกันสงบแล้วครับพ่อแม่เป็นคนแก่ แ, กแล้วนะ่ะมันพิ่เจ้านาหลวงพ่อเหลือเชื่อที่นั่นดี ไอ้ลูกกับเราคนนี้มันสอนไม่เข้าใจมันกินกินกัญชาเว่ยมันกินเฮกินเว่ยมันปกนเขามันพูดยากอะไรเงี้ยเอาไปถวายท่านฮะนิสลาเนี่ยอย่างนี้มันก็ถูกก็จะไอ้ภาพกลางคร้บแกงขี้เด็กอืแกงขี้เหล็กอีหนูอีหนูแกงขี้เด็กเป็นไงแม่มันขมเเกินอือเอาไปเพนซะเนี่ยแกงบอนเนี่ยแกงบอนมันคันเยเกินเอาไปเพนพระซะ เอาแต่ของเซนเทนเอาแต่ของสองแหวนร่อนก็นไปให้พระแกงเฉลี่ยมันขมเอาไปให้พระแกงบอมันคัเอาไปให้พระช่แกงบอนมันคันเอาไปให้พระใช่ต้องไปต้องกินมันลูกที่ไหนที่กินเฮ ร, อ, ร อ, อินสอนในฟังเอาไปให้พระใช่ก็ไปทำลายพระทั้งนั้นเลยใครจะไปสอนมันได้อย่างนี้นี่มันต้องออกไปอย่างนั้นที่นี่ก็ยิ่งส่งโลูกไปเป็นสบายระบายนะลูกก็ยิ่งไปทำลายในสถานที่นั้นผู้ไปฟังใครทั้งนั้นเนี่ยเป็นตัวอย่างขึ้นมาใช่ นั่นก็เดี๋ยวมันเป็นสายสืบเข้าไปในตัวของมันแล้วไปทำลายกลุ่มสงมู่นั้นพระที่ดีๆหมูนั้นพระที่ดีจะต่องแยกกับไฟนี่แยกกับไปนี่ท่านมีอำนาจจะสอนใครแล้วก็ปล่อยในใจคนว่าอย่างนี้นั่นแต่ก็วุ่นวายตรงนั่นก็มีตรงนั่นก็วุ่นวายอีกแล้วแต่ก่อนนันสงบดีตรงนั้นก็วุ่นวายอีกแล้วมันส่งสปาเข้าไปในตัวของมันอย่างเนี้ยเขาไม่รู้เรื่องกันเรื่องพุทธศาสตร์นาในเองนะมันสอนเข้าไปอย่างนั้นเราไม่รู้เรื่องกัน ก็ได้เกลียดเลย เ, เรียดนี่ะ เ, เ, เรลียดนชนุนน่งนัก เ, ก ร, ก ร, เรียนวางคบไปบวชมาดูพัะกรณ์เคยไปอยู่ในกลุ่มเด็กๆนักเรียนค น, นอายุสิบหกสิบเจ็ดไปเอาไปบวชน้ำบาปมันดิพ่อแม่ให้เลี้ยงตามใจมันเสแล้วเอาไปบวชนี่นก็ตอน เจ็ดโมงก็ฉันข้าเทีหนึ่งนะห้าโมงก็จันทีนึ่งซะตอนเย็นมันหิวนี่ระยะมันไม่เท่ากันนี่อนักเรียนมันฉลาดนึกเราไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อฉันจะเห็นดก็ฉันเพลนนี่มันก็สองเวลาเหมือนกันมันระยะมันสั้นนิดเดียวเท่านั้นแหละเวลาสองสามโมงไปหาห้าโมงมันนิดเดียวเท่านั้นน่ะเพราะวาฉันห้าโมงแล้วก็ระยะน่ะไปฉันนู่นบ่ายสามมันดีกว่านี่ มันจะผิดทำไมมันก็่าสองสองเวลาท่านั้นแหละมันยิ่งนี้มันยังมีคุณภาพดีด้วยอมันยังให้กำลังเราไปบ่ายสามไปถึงสว่างเนี่ยมันยังมีกำลังทําปิมเพียนดีอันนี้ตอนชาติมาศารเท่แล้วยังไม่หิ้วเลยก็ไปชานอีกซะแล้วผมว่าแยกกันดอกสดีกว่าแบ่งใหม่ซะมันไปจัดอาจารย์ใะแล้วนะไปจัดทันประตูใช่แล้วออมันไม่สมควรที่ทํามาเนี่ยนี่มันนักศึกษาแท้แท่นี่ มันศึกษาอยู่เสมอมันจะไม่ห้หิวไม่เจียมสบายนี่เดี๋ยวนี้ศาสนาเนี่ยมันจะโซมไปโดยโดยลำพังอันนี้พะบวิทยาศาสตร์เนี่ยมันศาสตร์กันไปนี่วิทยาศาสตร์มันศาสตร์กันไปตรงนั้นต้องแตกตรงนั้นนี่ยถ้ามันไม่มารวมพุทธศาสตร์เมื่อไรมันแยกตรงนั้นนี่ยศาสตร์อะไรทั้งหมดมันเหลวตรงนั้นแหละมันต้องมารวมพุทธศาสตร์อืพุทธศาสตร์ที่เป็นศาสตร์ที่ให้ความรู้ในทางเมตตากรุณามุติตามันให้แข่งแย่งซึ่งกันในการนี้มันจริงจะเกิดประโยชน์ ศาสตรทุกซุกศาสตร์ไม่จะมีผลมากที่สุดทีเดียวศาสตร์ทุกวันนี้เฮ้ยมันศาสตร์ป่าเท่านั้นแหละเรียนคำรู้เมืองมากแต่ทํางานอะไรน้อยเถียงกันเทั้นนั่นไม่ต้องนีทําอะไรกันอืมจัดเป็นศูนย์ขึ้นมากจัดที่ประชุมขึ้นมากกินเรี่ยงกันมากที่สุดแท่การงานก็ไม่เคยได้นะก็ไปพูดกันแต่กระรัวกันอันนี้ไม่ใช่นินทาไปนะออพูดดังความารจริงถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันไม่จะเริ่ทงาำไปรู้ก็ได้มันไม่จะเริญอย่างนั้นอืม ที่นี้มันเป็นใจอย่างนั้นที่มีความฉลาดมันปัญญาหรอกมันทุปัญญามันไม่ใช่ปัญญาดิมันไม่ใช่สุปัญญาทุปัญญาคือปัญญามันชั่วปัญญาที่ไม่ถูกปัญญาที่มืดมนปัญญาที่เดือดร้อนสุปัญญามันเป็นัญญาที่ถูกต้องทำเรื่องมีเหตุผลไม่ต้องอิจฉาใครไม่ต้องพยายามใครอย่างนี้ว่าเราทุกคนเกิดมา มันเกิดมันแก ER, ่มันเก็บ ม, มันตายเหมือนกันทั้งนั้นจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตายแล้วก็เหม็นเหมือนกันทั้งนั้นไม่ใช่มันหอมหรอกเมื่อเรามีชีวิตเราทำไมถือเนื้อถือตัวแต่มีอํานาจอาจสูงที่สุดเลยนะจนกว่ารู้ถูกคนโจนคนถุกสาราพัดนี่ทําไมเป็นเป็นไปอย่างนั้นฉะนั้นศาสตร์ทางายนะั้นมันเดือดอ ร, ร้อนต้องมารวมพุทธาศาสตร์ต้องแบ่งนีต้องแบง่งทํามงายเรามีสองชิ้นสามชิ้นนะให้ให้ให้เราชิ้นหนให้เพื่อนชิ้นหนึ่งไป มันมีสามทิมเอาทั้งสามทิมเลยไอ้คนนี้มันนั่งดูปากกันเลยเนี่ยไม่ได้กินเนี่ยมันนั่งหิวไอ้คนอีมก็อีที่มันเรื่องกรที่ยงสุนัขกินไปคนมันหิวมันนั่งดูหน้าอยู่เนี่ยมังกระลุกคนเด่นงานแบบนี้เนาะนี่มันไม่พออย่างนี้ฉะนั้นการนี้ท่านจึงยอมเสียสาระเสียสาระแก่คู่ค้นที่ควรเสียสาระชวนกันอืมมันชวนกันเข้าในธรรมะพยายามเจ้าหนี้มันหันมันหันหลังใส่ธรรมะ หันหลังหันหลังใส่บ่อน้ําที่มันเย็นเย็นอืนไปหันหน้าเข้าในกองไฟใหญ่ใหญ่มันเห็นว่าจะแบกให้มากที่สุดใจมันเบาที่สุดอมไะอย่างเงี้ยไอสิ่งที่มันเบามันไม่มันไม่ไม่ทำมันไปแบกสิ่งที่มันหนักหนักแต่ความคิดเขาอยากจะให้มันเบาอือย่างนี้อืมังก็เลยหันหน้าไปแบกกันในสิ่งที่มันหนักมันก็หนักตลอดเวลาเท่านั้นแหละ เห็มันเป็นไปเป็นไปเป็นไปเป็นไปทุกวันนี้่เดี๋ยวพอกลัไปถา้องพ่าเป็นไงบ้านเมืองเราจะเป็นไงไหมไอจะมาไม่รู้รักอาจจะมาก็อยู่ไปเป็นบันบเท่านี้แหละถ้าเราทําดีกันขึ้นบ้านเมืองมันก็จะดีถ้าเราทําชั่วคุณบ้านเมืองเราก็มันจะชั่วอืมแต่ผมว่าไม่เป็นไรแล้วนะบ้านเรามันมีศาสนาจริงศาสนามันมีอยู่ข้าวมีอยู่จะลองไปไปกินมันก็หิว ืศาสนาอย่างที่เอาวางไว้สวยๆเนี่ยมีดเดี่ยวเดียวที่มันคมๆเนี่ยเอาไปรับไปมันคมหมดทิ้งหมดตรงนั้นดิให้มันคมยู่ที่มีดเดี่ยวมันมันจะเกิดประโยชน์อะไรไหมคือถ้ามีใครไม่มีใครใครที่เป็นคนไม่ฉลาดจับมีดไปทํางานเสียหายหมดเลยเพราะมันคมมีดเดี่ยวนั่นมันคมฮะคนฉลาดมาจับมีดไปทํางานที่งานมันก็ เ, เรียบร้อยเร็วด้วยเด็กอย่างนี้ศาสนาก็เหมือนกันอย่างนั้นเป็นศาสนาที่เยือกเย็นเป็นศาสนาที่ถูกต้อง ถ้าไม่มีใครไปประพฤติปฏิบัติตามมันจะถูกต้องเลยยังไงมันจะเป็นยังไงศาสนามันจะฟุ้งเกิดขึ้นมาอย่างไรมันก็เป็นอยู่อย่างน no ั้นี kite, <crosstalk> ่การงานทั้งหลายมันต้องการการปฏิบัติการปฏิบัติมันงจะฟูขึ้นมามันจึงจะฟูขึ้นมาถ้าเรียนรู้เฉยๆไม่มีการปฏิบัติมันจะเกิดประโยชน์อะไรหรือมันไม่มีประโยชน์อะไรจะเกิดขึ้นมาแล้วเราจะเห็นเออบ้านเรามันมันเป็นบ้านศาสนาไว้แเรามันไม่เป็นอะไรแล้วท่องจะไม่เป็นอะไรกันแน่นอน เพราะอะไรเพราะแรงของาศาสนานี่แรงของาศาสนานี่ทําไม่มีคนไปปฏิบัติมันจะมีแรงอย่างไรกันเล่าอืมกด็ดูดูดีมันจะมีแรงอย่างไรไอ้เมียดเด่มนั้นมันคมนะเอามันวางไปเฉยเฉยมันจะเกิดประโยชน์อะไรไหมถึงจะเอาเมียนไปทํางานเอาคนที่ไม่ฉลาดไปทํางานมันจะเกิดประโยชน์อะไรไหมเราคนคิดจะนี้ดูบ้างเรานี่ก็เหมือนกันฉันนั่นก็เหมือนกับพระเราัเงี้ยนี่น ถ้าไ้วชเป็นชาติเขาบอกมันดีแล้วเราดีแล้วบวชเป็นพระมันได้เป็นพระแล้วบวชเป็นชาติทำไม่ปฏิบัติมันจะเกิด อ, อะไรขึ้นมาอีกเล่าเมียดเตียงนั่นคมคแล้วมันดีแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรไม่มีใครเอาไปชายยใช้หรือมีคนที่ไม่ฉลาดเอาไปใช้มันจะเกิดประโยชน์ไหมเรามีหลักพุทธศาสนามีอยู่กเหมือนกันอาศัยเทิดทูนพุทธศาสนานี่จะเป็นไปเองแต่พวกพุทธชนบรรดาวพวกพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่จับหลัก การที่จะปฏิบัติในธรรมะมาปฏิบัติกันให้มันจเจริญขึ้นอะไรไม่เสร็จสมบูรณ์นะพี่ทางของประการาเรื่องสายในพุทธศาสนาอยู่แต่เราไ ม, ม่ยอมทําตามมันทํายากแต่ให้อาศาายัยพุทธศาสนาหนึ่งเป็นร่มโพรมไสให้เราอาศัยอยู่ให้เย็นมมแล้วไม่ต้องไปทําแล้วท่านห้าบะ่ะไอไปขโมยคนอย่างไรแล้วก็ต้องไปขโมยนะี่ออไม่ให้กินสุนราแล้วก็ไปกินไอทําตุ๊ก็ไปทําอยู่แต่ว่าย้อมือยกมือใส่หัวว่ะ ให้ท้าพระเจ้าอยู่สบายเถิดท้าพระเจ้านับถือพุทธศาสนาพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนเนี่ยอืมน่านๆเออทําไมพุทธศาสนาก็อย่างนั้นและมีความบุญบายอยู่ตลอดเวลาแล้วเนี่ะเนี่ยมันเข้าใจอย่างนั้นมันต้องการปฏิบัตินี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดถ้าเราไม่ปฏิบัติอะไรข้าวหงอยู่ในหนม้อมันจะเกิดประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ปฏิบตัติเอาถ้าพีมาพโลกมันออกมาใส่จาย์ที ตะแกงมาใส่นิดหน่อยจีใส่น้ำพริกกับปลายีอือทานกับปลายทีมันจะเกิดประโยชน์ไหมข้าวมันดีอยู่ฉะนั้นแนี่อือพุทธศาสนาตัวเหมือนกันนอือเหมือนข้าวหงอยู่ในหม้อถ้าเอาศาสนาตั้งไว้เฉยๆอย่างนั้นมันก็จะเกิดประโยชน์อะไรเหมือนข้าวหงอยู่ในหม้อไหนเอาข้าวที่หนึ่งน่ยให้เอาออกมาลิข์เอาฟันกระตองมาหงเอาตั้งไว้ข้างๆนั่นเองมันจะอิ่มไหมมันจะอร่อยไหมมันจะเกิดประโยชน์ไหม ยอมศาสนามีอยู่ในโลกยังให้ตั้งอยู่เฉยๆแต่เราไม่พยากันปฏิบัติศาสนาแต่เราไปกราบอยู่เท่านั้นแต่กราบเท่านั้นน่ะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเรากราบก็แสดงว่าเราเชื่อแสดงว่าเรายอมถ้าคนเชื่อถ้าคนยอมก็ปฏิบัติตามคาสอนของท่านเท่านั้นแหละอย่างกระบวนการข้าวเนี่ยถ้ามันเข้าใจว่าแน่นอนอันนี้ข้าวมันเรียงชีวิตขอมนุษย์มันต้องเอาข้าผีมาควักออกใส่จานใช่ไหมอืม มันจริงจะเกิประโยชน์ไม่ต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างนั้นทุกทุกคนเราควรมอนกันจิตนั้นทุกวันมีแต่มันย่อนไะคือทําความชั่วนี่มันมันง่ายทําความดีนี่มันยากเสักหน่อยหนึ่งถ้าหากว่าคนเห็นโทษมันจริงๆมันก็ง่ายเรื่องพุทธศาสนานี่ก็เรื่องเรื่องยากที่สุดแต่ก็เรื่องง่ายง่ายที่สุดจะจำปฏิบัติให้มันเห็นโทษของความผิดนั้นจริงจริงมันก็วางเท่านั้นแหละ ถ้าจะเอากันยังไงก็เอาเวทีเรามีรามันผิดจริงๆนี่ถ้าเราต้องผิดจะเห็นมันประโยชน์เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันเกิดประโยชน์ท่าน่ะเห็นโทษอย่างง้ายเห็นประโยชน์ก็คุณเท่าๆกันเท่านั้นเนี่ยอันนี้เราเราไม่อยากจะให้มันหนักก็จะแบกให้มากที่สุดแต่ในใจไม่อยากให้น้ำอย่างเนี้ยอืมไม่อยากให้มันเดือดร้อนแต่เราไปทํำสิ่งที่มันเดือดร้อนขึ้นมาแค่นั้นแหละ ม, มันจะเป็นไปได้ไหมอย่างนั้นอันนั้นเราควรกรับดู แคนั้นวันสมณะอย่างนี้มันมีประโยชน์อย่างนี้อืมเราต้องควรมาพินิจพิารณาประชาชนเราทั้งหลายนะมันอยู่ข้างนอกอืมการทํามาหากินวุ่นวายอยู่การคลองชีพต่างๆอีกสักเจ็ดวันนั่นเป็นวันพระควรจะมาอบรมแล้วอย่างวันนี้คงจะเลยยินกันไปบ้างเล็เกๆน้อยๆที่จะไม่เข้าใจก็จะเข้าใจขึ้นเข้าใจยังไม่พอมันก็จะพอขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวั น, ว, นวันนี้ก็เลยยินอืม ต่อไปก็ได้ยินได้ยินอยู่ด้วยวยิวย่วยวยิวย่วยวิ่ยต้นนั่นแหละอุปนิสัยปจัจจัยของก็เกิดขึ้นเท่านั้นแหละมันจะมีอะไรอันนี้ไม่เคยเข้าไปฟังตำข้ า, าอย่างชัดเจนเฉยอืยไม่ได้เข้าใจในธรรมะแต่มาเลื่วมสายอยู่อเลื่วมสายไม่ถึงที่ของมันรู้มันระรู้ไม่ถึงไม่ถึงความรู้จริงๆริงมันพูดจะเกลียดมันอย่างนั้นทุกสิ่งทุกส่วนมันจะยิ่งมีมีเดืดร้อนกันถึงนั้น ทุกวันนี้ทําไมหันหลังให้ธรรมะพราไปทำธรรมะฟังแล้วยแย่แล้วเราถ้าไปทาําตามเราไม่ได้กินแน่อดแน่ของเราขูดที่เป็นกลุ่มอดแน่ไอคนนั้นได้ยิน่งอดแน่เด็กเลยยิ่งก็อดแน่ธรรมะรได้ยินอดแน่ตรงนั้นนยกธรรมะดีก็ดีแต่ยกอีกจะเป็นส่วนหนึ่งใช่ยหมฉันนับถืออยู่ซาทุกธรรมาะในที่แต่ผมทำไม่ได้น ก็ไปทำจิงไปเป็นธรให้มันเกิดร้อนขึ้นมาลูกๆล้านหลานเราก็หันทางหันหลังให้ธรรมะกันอย่างนั้นเอแต่ธรรมดาของมันเด็กๆมันก็ดูผู้ใหญ่เหมือนเท้าวันที่มันเกิดขึ้นในในแผ่นดินเนี่ยไอ้ต้นไม้ต้นหนึ่งมันอยู่นี่ไอ้ต้นหนึ่งมันอยู่โน่นคือเท้าเท้าวันมันโผล่ขึ้นมาตรงนี้มันจะขึ้นตรงไหนอ่ะมันก็ขึ้นต้นอยู่ใกล้ๆตรงนั้นแหละอมันจะไปทําไมถึงมันไกมันยากเด็กกับผู้ใหญ่เราก็เหมือนกันอย่างนั้น มันต้องอาศัยผู้ใหญ่อาศัยครูมาอาจารย์แต่ว่าทามันเต็มที่มันมันก็ฉีดยามันก็ไปถอยเหมือนกันนะมันเต็มที่มันแล้วนะมันไม่มีอะไรเป็นยามันแล้วอ่าฉะนั้นว่านเมืองของเราสุวันณนี้มันเป็นอย่างนี้ย่าไปแค่คนไทเลยแค่ที่การประพฤติปฏิบัติของเรานี่อย่างนี้อื่าจะมาก็เไปพูดหลายแห่งเหมือนกันออย่างอย่างเมืองน่าก็เคประเทศนีในเขากร่างไอ้ว่านของคุณมันเจริญท่านท่านน่ะที่มันเจริญไม่ใช่ว่ามันมันสุขนะมันทุกข์เนี่ แคนาดาคือนันดอนสหาราัฐนี่ ม, มันอะไรแม่มันมันทุกคนเกี่ยวับทุกคนน่ะมันจะเป็นโรคประสาทตั้งสิบเอร์็นยี่สิบปอร์เซ็งนั้นเน่ไม่รู้เรื่องมันเมามันเมาความสุขมันเมาความสนุกลลายจนเกินไปด้เกิดโรคประสาทเป็นบ้บ า, บาบอเป็นค น, นกลางๆหลายอย่างฉะนั้นเรไปฝึกกันไม่ต้องไปพูดอธิวายมันฟัง้ ปฏิญติในเรื่องมันไม่ต้องพูดอะไรใดๆใครมันนั่งปวดมันหลับตามันสงบกดคอเพีงเดียวนั้นเน่ยให้มันสงบในรู้เรื่องอะไรทำไม่ ท, ท, ท, ทําม่ได้ไปอยู่ในที่สงบสจนนั่งให้ Dad, มันสงบให้มันสงบเงียบให้มันเป็นสมาธิเมื่อสมาธิมาถึงเออไอความสงบของจิที่มันอย่างนี้นะก็เพรามันเกิดขึ้นมามันไม่มีความสงบสักทีเลยนี่มันพู่นวายเมื่อมันวุ่นวายมันก็หาที่มันไม่บุ่นวายเดี๋ยวนี้เขาชอบกันนั่งกรรมฐานการสงบ เ ม, มื่อสงบพุกหนึ่งจิตมันได้พักยัง น, ง, ง, ง, ง, งนอนง่วงๆนอนก็าจะนอนจากพักหนึ่งโอยขึ้นมามันสบายเลยล่ะนี่อันน่นในจิตของเราเกิดขึ้นมามนไม่ได้พักกลางคืนมาก็ไม่ได้พักแบบยังดับไปก็ยังฝันไปอีกห ล, ละทั้งพัดอย่างวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาการพักผ่อนของจิตเนี่ยมันน้อยอาหารนั่นไม่่พอเจอกับหาว่ามาเตือนรูปศาสตร์กันมันขาดอันนั้นอันนี้การนอนนั่ก็ไม่ค่อจะพอ อยู่ในเมืองในนาเขาเหมือนกันนอนเฉยเยมันดับแต่ตามันเสียงได้ติมเติมเติมเตเติมตมเยอะแต่ดึกดึกมาถึงนอนจนะแต่เขาทำไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่นะไปเที่ยวลําบงไปเที่ยวบาไปเที่ยวอะไรมันสนุกสนานมาได้มานอนนะนอนก็ไม่เคยจะดับเ ส, na, Wagner, สียงกับทุ่มเติมเมเติมเติมเติมก็เรกือนมาตรการงานไปงานอีกแล้วนไปทํางานอีกดึกดึกกลับมาบ้านอีกไปกินเนื้ออยู่ได้ได้วุ่นรอเวลา เป็นวิจ า, ารา์ที่มันเป็นไว้อย่างนี้ตลอดที่เกิดมามันเป็นอย่างนี้ไอ้ความวุ่นวายในจิตใจของเราเมื่อมันมีขึ้นมามันก็ไม่สงบฉะนั้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาโลกประสาทมันจึงเป็นมันจึงเป็นคนขึ้นกนลางๆหลายๆเดี๋ยนี้บางคนะเข้ามาหาเนี่ยถ้าท่านบวชนานแล้วท่านคงจะรู้จักอะไรต่ออะไรมากนี่บะให้มองดูผมแล้วผมมันเป็นอะไรเนี่ยทำไมเขาถามเนาะผมเป็นอะไร เขาไม่รู้จักว่าเขาเป็นอะไรอืมันไม่รู้ว่าเป็นไงไม่รู้แต่มันเป็นเป็นเป็นหุ่นอันนึงเชิดอยู่ทถวนั้นเนี่ยอย่างนี้มันไม่เข้าใจธรรมะทีนี้หากเรามาทำกรรมฐานในมังเห็นถ้าจิตมันได้พักพุกแตวนั้นโอ้มันรู้จักรอดเมื่อจิตสงบทับมันก็มองเห็นสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้องเกินมาด้วยปัญญาเกิดขึ้นมาได็กทำเรื่อยเรื่อยๆอย่างนี้ถ้ามันเห็นชัดศีลมันไปรักษาเองของมันอื มันพยายามทําละความผิดมันไปทำหนีเก็เน่ปัญญามื่เกิดเดี๋ของมันเพราะการปฏิบัติเท่านี้แหละก็อจิตมันได้พักมันปัญญามันก็เกิดอืมไม่ใช่นั้นก็เรียกว่าดูที่เราลองรู้ที่ทำไมนั่งสมาธิภาวนามาเกิดปัญญาดูแล้วอยู่สมาสมายเท่านี้มันจะมีอะไรไมไหมเราเป็นนั่งทุกเดียวเมยมันลำพานเ ร, รื่องเกินทำไมไนี่เห็นไหมตรงนั้นแหละตรงที้เกิดปัญญาปัญหาอยู่ตรงนั้นมันมาก เฉอๆตัวปัญหาอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าเรานั่งสมาธิตปในนั้นมันจะมีปัญหาตรงนั้นมันจะมีเฉยๆตรงนั้นขึ้นมาเลยทีเดียวเลยแก่อยู่ตรงนั้นอย่างคนในสมัยนี้บางคนแมะคนสมัยนี้มันหยาบหลายไปมันมืดหลายอ่ะผมมามันไม่ได้ฉะนั้นมันหยาบมันมันมันมากอัจฉริว่าไอ้ที่ไหนมันมืดมืดมืดนั่นนี่ยเอาไฟฉายฉายลันไปตรงนั้นตรงนั้นสว่างชัดได้ติรนเดือนเมื่อไงเอาไฟฉายฉายกันไปบนอากาศนี่มันจะชัดไหมนี่ ไอ้ทีแรกมันมืดเอาไฟฉายชัดกับไปแต่มันจะสว่างเธอมืดเทา่าไรมันยิ่งสว่างนี่ไอ้คนนี่หลงเท่าไรมันหนึ่งเมื่อมันหายหลงแล้วมันก็สว่างเท่านั้นแหละไอ้คนมืดสมัยนี้ก็นนะมันมืดตามธรรมดาไม่มีใครสั่งสอนเนี่ยนำได้ไม่ตั้งใจฟังธรรมหาก่อความจริงตามธรรมะจริงๆมันเป็นเนทพิธีดีตองกันทนานัน่มิฉะนั้นพวกเอประชาชนเราทั้งหลายเนี่ยอย่างวันพระเนี่ยมีน้อยมีน้อยีมอย่มีน้อย มาก็มากันแค่แค่นั้นแหละไม่ตั้งใจฟังธรรมะเราต้องตั้งใจฟังธรรมะข้อเดียวเท่านั้นแหละแล้วรู้จักมันข้อเดียวนี่ะหลายข้อมันก็ทยอยทยอยทยอยเข้ามาเหมือนเรารู้จักลิงตัวเดียวนี่เมืองไทยเท่านั้นเนีะนะเราเตะไปที่ไหนแล้วรู้จักลิงหมดทุกตัวเลยแลรวลู้จักมันชัดเจนน่อืม่ารู้จักมันชัดเจนรู่ข้อเดียวน่ะเอโกธรรมโอธรรมคืออันเดียวเท่านั้น ไม่จ้องศึกษาอะไรมันมากให้มันรู้มันแน่ในใจของเรามันจริงจังเข้าไปเท่นั้นเลยไม่ได้ไปยากอะไรมากมายอืมมันเป็นอย่างนั้นธรรมะมิจต่าเหตุผลที่ว่าอ่าสักก า, านนึงคือบรนพระหนึ่งทัานว่าธรรมะสวัสดั่งการฟังพระธรรมตามการตามสมัยนี้ท่านอยา่าเป็นมงคลอะไรมันจะเป็นมงคล มงคลคือความดีมันจะพยายามเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาไอความดีทั้งหมดมันเกิดขึ้นมันล้วนจะเป็นมงคลตรงนั้นเนี่ยเราเข้าใจในธรรมะก็ไปแค่นี้มงคลก็เกิดขึ้นมาเราเข้าใจธรรมะซึ่งก็ไปมงคลก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อมงคลเกิดขึ้นมาพร้อมเข้าใจในธรรมะกันมาแล้วปฏิบัติได้อย่างเราทั้งหลายจะพัฒนาบ้านเมืองบ้านนี้อะไรมันพร่องอยู่ตรงให้ควรตรงนี้ไม่ควร ถ i i า้าเรารู้จักวิธีอย่างนั้นแล้วก็พัฒนาถูกเรื่องของมันอย่างคิดใจของคนเราตรงนั้นนะมันมันผิดตรงไหนมันท่องตรงไหนแล้วก็มายกตรงนั้นขึ้นนะมาทําตรงนั้นขึ้นแล้วก็พัฒนาถูกเท่านั้นแหละอันนี้จะพัฒนาถูกทําไมไม่รู้จักจะพัฒนาตรงไหนก็ไม่รู้เรื่องอะไรจะทําตรงไหนจะต่อตรงไหนจะตัดตรงไหนก็ไม่รู้เรื่องก็เพราะไม่รู้จักส่วนสั้นส่วนยาวของมันแล้วก็ไปพัฒนากันก็ไปทา ไปทำกั น, เ, น, เ, น, เ, นเรื่องจะพัฒนาง่ายๆก็เห็น ม, มันยากจะแล้วอย่างงี้มันไปจัดไอสิ่งที่มันไม่ถูกเข้ามาในใจของเราแล้ ว, วก็ดีใจกันไปใช่ไหฉะนั้นการเข้าสู่ธรรมะทุกวันนี้มันถึงน้อยแต่คนเข้าวัดเยอะอแต่รู้จักธรรมะ ม, มันน้อยมันน้อยเพราะอะไรราะเราไป น, นั่งฟังธรรมให้เข้าใจพวกฝรั่งเขาที่ ที่ที่จะมาไปสอนนี่ยคนสักร้ายคนอธิบายธรรมะให้ฟังอธิบายธรรมะให้ฟังเนี่ใครสงสัยไหมยกมือเลยยกมือคนประมาณสักร้อยคนมันจะเหลือสักห้าคนมันสงสัยจริงๆมันถามจริงๆริงปัญหามันหลายจริงๆริงไอ้ข้าวสงสัยมันเต็มทั้งนั้นอ่ะอื่ไม่ใชนั่นบ้านเราญาติโยเมเราจํำจนบทก็ยังหน่วดเราฟังไปก็ฟังต้ปมันไม่รู้ข้อวสงสัยไม่รู้ไอ้สงสัยอะไร รู้มันก็ไม่รู้จะรวยสงสัยมันก็เดินไม่สงสัยไม่รู้ว่าเป็นคนอะไรก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้แล้วเรื่องมันไกลาจากธรรมะอย่างธรรมะที่มาอยู่ในเมืองไทยเราพุทธศาสนานี่เป็นธรรมะที่สําคัญแต่ว่าคนไม่ค่อยสําคัญมันสําคัญแต่มีดที่มันคมคมแต่ว่าคนที่ทํามีดเอาไปไปสร้างประโยชน์มันไม่สําคัญมีดมันก็พลอยเป็นมีดที่ไม่สําคัญไปโดยตลอ น, นอันนี้ก็เมือนการฉันนั้น ฉันนั้นเราคงช่วยกันมันช่วยกันอืมันช่วยช่วยกันมันเจริญตรงไหนมันมากไม่ใช่ว่ามันเจริญอย่างเดียวนะไอ้ทุกข์มันก็จะเดินขึ้นมาให้ความสบายจะเดิญขึ้นเท่าไหรไอความยากมันก็จะเดินขึ้นเท่านั้นพูดง่ายๆแคหน่อยหนึ่งบ้านเรานี่เองล่ะเมืองกรุงเทพมันเจริญนะบ้านนอกนี่ไม่เจริญอยู่สบายกว่ากันนะ ดูสิคนมาบ้านนอกถามโยกบ้านนั้อยู่ที่ไหนอันนั้นบ้านคนนั้นอยู่บางทีเขาตามส่งไปบอกสรงโน้นตรงโน้นนี่นี่หาไปในกรุงเทพเลยนะบ้านนั้นเปน็นคนไปทางโน่นโน่นนั่งรถลาดตระเวนทั้งวันไม่รู้เรื่องเลยจังบอกทุกคนไปโน้ตไปโน้นไปโน้ น, น, น, น, นเรื่อยเรื่อยบอกไปเงั้นให้มันเสร็จเดียแล้วประโยชน์จะไป น, นั่นไม่ค่อยใส่ใจม่ฉะนั้นบ้านนอกนีดเดียา อแต่มันโง่มันก็สบายนะอืมันโง่โง่อยู่แต่มันก็สบายอยู่ตามธรรมชาติมันอืมยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามธรรมชาติอย่างนั้นอิดช้าเรื่พยาบาทกันมันก็น้อยอือันนี้อันทีนี้ไอ้ทีความเจริญตรงไหนความที่หมัเจริญมันก็ตามมาอืเอาจะมาเห็นวัดต้องประภงไงสมัยก่อนมีผ้าอยู่สี่แถวโอ้ยสบายเลยโย มีบาทคนสบายท่านไปบินทบัลยมาข้อหอให้ก็แก้เป็นบาทชเห็นมานานๆนานๆคนไปเห็นก็เหม่สงสารท่านเนอืะเอาถ้วยไปให้ท่านเอาจานไปให้ท่านน่ไปช่วยท่านก็เลยพากันไปไอควเป็นจริงไปฝ้าเราเจ๋เฉยหรอกไอพวกนี้กินไม่มีถ้วยไม่ได้กินไม่มีช้อนไม่ได้ต้องประปัญหาปัญหาไปทุกวันนี้อยู่ในโรงทรัวมีแต่ถ้วยทั้งนั่นอไอคนทานอาหารเสร็จแล้วคนร่างจานสามชั่วโมงก็ไม่เสร็จ บางคนบางบางทีไม่ได้ฟังธรรมด้วยไม่ทานของล่างทั่วอย่างนั้นเนี่ยการเจริญมันงคุนมาอย่างนี้นนนะความยากจะตา ม, มาเป็นเรื่องธรรมดายอย่างนั้นก็เหมือนเราเหมาือนเป็นเด็กเด็กเราสบายกันนี้ไหยไม่ต้องรักล้ลางอะไรมากมายแตนนนะ่นั้นเนี่ยเราก็คิดอยากจะเป็นผู้ใหญ่หึ่งวันจะสบายนะเล่นี่มาเป็นพ่อคนแม่คนโหดูแล้วตอนชะมาแม่ขอสตังให้ห้าบาทไม่เอา ใช่สี่บาทออสิบาท ส, สีบาทกันห si, มดหมดแล้วไร่มันมันในยุ่งขึ้นมาสารพัดอย่างแต่เราเห็นความเจริญแต่ว่าความใม้เจริญมันตามกันมาเห็นความที่สบายไอ้ความไม่สบายมันตามเข้ามาอย่างจะเป็นเจ้าเป็นนายเมื่อไงเป็นนายทหารดุสิตหลายคนเหมือนกันถ้าเป็นนายสิบห้อหอผมจะขอยกขึ้นเรียนขึ้นจะเป็นนายสิบเป็นจ่าเป็นน้องเป็นนี่ขึ้นไปขึ้นไปนึกว่ามันจะสบาย จนถึงเป็นนายฝนโอยเปนเด็กนี่มันเป็นน้อยมันเกาะคนอื่นเขาทั้งหมดมันลาบากถ้าเป็นใหญ่เนี่ยถือถูกเขามาเกาะเราทำไมหนักต้งนั้นเนี่ยที่ไหนอยู่ที่ไหนเนี่ยเป็นเด็กก็ไม่สบายใหญ่ก็ไม่สบายทั้งนั้นเนี่ยอย่างนี้ถ้ามันใหญ่เลยเขาเอาเรื่องที่จําเป็นมาทิ้งให้เราทำไมถ้ามาหาเราเขาอยากเรื่องอันหนึ่งหรือมันทํำสิ่งที่ไม่ดีนะ่เข้าไปหาเราเลยนะอ่าเนะ แก้ไขเรื่องไขมันชแก้ยา ก, ยากกันนะถ้าแก้ง่ายมันแก้เอางเรื่องแก้ญากที่สุดต้องให้นายพลให้ผมมัทน่เอาไปทิ้งให้เราเนะแล้วก็คิดอยากลำบากไหมล่ะจะเอาเงินวดนนี้นอหนึ่งวันจะช่วยใครอย่างนี้ปัญหาอย่างนี้มันเกิดขึ้นไปทุกที่ทุกทีนะนี่อันนี้กุมันปานทุกอย่างอืมันปัญหามีที่ไหนฉเฉลยมันก็มีที่นั่นแต่เราไม่ฉลาดทํากันมา อมันไปทางทํามันง่ายๆง่ายมันสบายใจอย่างนั้นนั่นก็ยิ่งแต่มันไม่ไม่เป็นสาระดังนั้นน่ะมันเบือดรอนอืมอันนี้ธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นธรรมะก็เหมือนพูดนั่นเองล่ะพูดให้มันถูกต้องพูดความจริงขึ้นมาเมื่อไรธรรมะมันก็เกิดเมื่อนั้นแสดงว่ามันเหตุผลอย่างนั้นอันนี้เป็นเครื่องทีหากว่าให้พวกเราทั้งหลายสนใจไม่มีความผูดประกันในก่อช่างมันเถอะเรียนไม่รู้ถึงขนาดไหนก่อช่างมันเถอะ ให้พวกญาติโยมเ้าทำไร ม, มาทำศีลเถอะ